ชมข่าวรายการผู้ทวจนะนั้นเราก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะได้ถึงแก่ความกระจ่างในคําสอนของพระพุทธองค์บางท่านอาจจะนั่งชมรายการอยู่บางครั้งมีความรู้สึกว่งแหมยังติดขัดยังสงสัยอยู่ในส่วนที่เกิดการสนทนานั้นเราก็จะพยายามนะคะที่จะลงรายละเอียดให้มากที่สุด mm hmm. เพื่อเป็นการดักทางว่าท่านเนี่ยเกิดสงสัยในเรื่องนั้นๆในคําถามที่เราตั้งคําถามเพิ่มขึ้น หรือไม่งอกงามขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่าต้องการจะให้เทคโนโลยีของการสื่อสารได้เอื้อประโยชน์ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จริงๆสําสำหรับท่านที่อาจจะไม่มีโอกาสได้มาสอบถามจาก ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้รู้ในเรื่องนี้อย่างกับในรายการนี้ก็มีท่านอาจารย์คึกฤิ์โสติพโลท่านอยู่ที่วัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิทธิ์ปทุมธานีที่กำลังจะได้พบกับท่านช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะต่อไปนี้ค่ะ คำถามวันนี้รู้สึกดิฉันอยากจะให้ท่านผู้เข้าร่วมรายการดได้มีโอกาสได้ถามมากที่สุดเพราะว่าจะมีทั้งผู้ที่เพิ่นเป็นผู้ใหม่แล้วก็ผู้ที่ได้ปฏิบัติไปพอสมควรแล้วในระหว่างทางการปฏิบัตินีคะอดไม่ได้นะคะเ uh huh. พราะไม่มีครูบาอาจารย์ละว้าเวค่ะ uh huh. <c oughs> จะเริ่มต้นที่คําถามไหนก่อนดีคําถามนี้ดีไหมคะครับ uh huh. คือเ <Yeah. S 2> อยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า uh huh. ตามความเข้าใจเรื่องหลักอนาปานสติเนี่ยคือให้เรากาหนดรู้กับล ม, มหายใจคราวนี้พอรู้ไปนานๆแล้วเนี่ยบางครั้งมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรานั่งดูลมหายใจอยู่แล้วพอไปอีกสระยะหนึ่งเนี่ยจิตเราไปจับอยู่กับตัวที่รู้ลมหายใจอยู่เนี่ย อ, อันนี้เรียกว่าอนาปานสติหรือเปล่ามีผลเสียผลดีอย่างไรครับอ๋อ อันนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นอานาปานสติอยู่เป็นแต่เพียงว่า <c oughs> จิตเริ่มละเอียดขึ้นเนี่ยก็ <c oughs> จะพลิกมุมไปสู่จิตตานุปัสนาะะฉนั้นตอนแรกเนี่ยผู้เจ้าก็จะบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิสุทธ์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนั้นขั้นตอนแรกที่ยมทำเนี่ยยมนั่งรู้ลมหายใจเห็นลมไหลเข้าไหลออก นี่ก็จะเป็นกายานุปัสนาสีประธานนะแต่พอนั่งไปนานๆสงบมากขึ้นมากขึ้นนะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าลมเป็นยังไงนะลมไม่มีความรู้อะไรแล้วพอเรามาันดูลมหายใจไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเราเหมือนว่าเรามาเป็นผู้รู้ลมดูผู้รู้ลมอีกทีหนึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยพระเจ้าจะเรียกว่าเป็น จิตตาณุปัสสนาสีปทานพระองค์จะใช้บทพัฒนาว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอลืมหลงไม่มีสัมปัชญะญเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูจนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำก็คือพระองค์ไม่กล่าวว่าอาณาปานสติคือการรู้ลมหายใจเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่า จิตเรากําลังรู้ลมหายใจเนี่ยนะนั่นคือเรามีสติสัมปทัญญะและชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเรากําลังเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอ่าแล้วก็มีความเปลี่ยนเผากิเลสแล้วนี่นี่ก็เท่าบอกว่ากรณีที่ตามคําถามนี้คือได้เห็นในส่วนที่พระผู้ทรงตรัสว่าเป็นการเห็นจิตในจิตใช่ใช่เห็นจิตเท่าไหร่ที่นี้ถ้าจิตหมายถึงวิญญาณนี่จิตอือผู้รู้เห็นผู้รู้ในผู้รู้อย่างนั้น ก็คือตัวเห็นจิตในจิตเนี่ยก็คือการเห็นผู้รู้ที่รู้ลมหายใจแล้วเห็นตัวผู้รู้อยู่ด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวแทนผู้รู้ซะเองเพราะส่วนใหญ่เนี่ยใหม่ๆที่เข้าใจว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวรู้อ่ะอ่าฮะอ่าฮะใช่แต่ตอนนี้เรากําลังเห็นแล้วว่าตัวรู้เราเนี่ยกำลังรู้ลมหายใจซึ่งถ้าทําไปเรื่อยๆด้วยจุดตรงนี้เราก็จะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับ และเมื่อเราเห็นจิตเกิดดับเราจะเริ่มเข้าใจว่าเอ๊ะจิตมันก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนทรายมันต้องมีผู้ที่รู้จิตอีกทีหนึ่งตอนนี้แหละอ่าเราเราก็จะขยับสเต็ปขึ้นมาอีกเป็นเป็นผู้ที่ดูผู้รู้เกิดดับอีกทีหนึ่งอย่างเนี้ยถ้านอาจารย์คะถ้าพูดอย่างนี้ คือดิฉันอยากจะพูดกับท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นผู้ที่เพิ่งเข้ามาศึกษา uh huh. ใหม่ๆด้วยว่าขณะนี้เนี่ยกำลังสนทนากับท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินะคะและเรื่องของการเห็นจิตในจิตเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่พระรพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐาน4ี่นี่คือเรื่องของที่ตั้งของสติดิฉัน uh huh. เข้าใจถูกไหมคะ uh huh. และเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงการเห็นตัวจิตที่รู้ uh huh. ลมหายใจใอีกทีหนึ่ง อันนี้เท่ากับว่าจิตกำลังเป็นฐานที่ตั้งของสติใช่นะคะทีนี้ในเรื่องของสติประฐานสี่ก็จะมีการพูดถึงเห็นมีกายเป็นที่ตั้งของสติ เ, เวทนาเป็นที่ตั้งของสติ อ, อันนี้จิตจเป็นรดับที่สามแล้วก็ธรรมเป็นําดับที่สี่เรียงตามนี้ปรากฏการถ้าหากว่าเราทำสมาธิโดยใช้วิธีสติประฐานสี่นะคะ จะเรียงลำดับอย่างนี้ไหมคะว่าเรานั่งๆไปไมันต้องเห็นกายในกายก่อนแล้วค่อยไปเวทนาในเวทนาแล้วจึงมาถึงจิตในจิตแล้วถึงธรรมในธรรมเป็นไปได้ทั้งทั้งแบบที่โยมบอกแล้วก็เป็นไปได้ทั้งที่คนเนี่ย<ม>เห็นจุดเดียวคือกายานุปัสนาจนเข้าถึงวิมุตได้เลยเหรือจะอย่างที่โยมบอกเนี่ยคือเห็นไปตามลาดับกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมอ่า ได้ทุกอันอีกคำถามหนึ่งนะคะเมื่อกี้ท่านบอกว่าถ้าเห็นครบเนี่ยคือเรียงตามลำดับเรียงตามลำดับนี่คือเห็นครบถูกไหมคะแต่ไม่จำเป็นต้องเห็นครบก็ได้บางคนหลุดพ้นได้เลยจากการเห็นแค่กายในกายคือเห็นลมหายใจถูกไหมคะลักษณะจะเป็นแค่เรานั่งดูแล้วเรารู้อยู่เสมอว่าลมสั้นลมยาวลมหายลมอยู่อย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีมีครบทั้งสี่เลย เห็นสลับกันได้ไหมคะได้ได้เพราะสติปัฏฐานสีเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยว่าเป็นที่เที่ยวของจิตเธอเที่ยวไปในสีที่เนี่ยจิตวนไปวนมาพลิกกลับไปกลับมาในสีที่เนี่ยไม่ผิดนะเป็นที่ที่เป็นวิสัยของบิดาตนเองเที่ยวไปมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้ค่ะนะมีข้อสงสัยอีกนิดหนึ่งครับเช่นถ้าเราจับอยู่กับลมหายใจเนี่ยบางครั้งจะนั่งสมาธิได้ไม่นาน แต่ถ้าสมมุติจับอยู่กับตัวที่รู้เนี่ยอะจะนั่งได้นานเกี่ยวเลยครับเกี่ยวเกี่ยวโดยตรงเลยเพราะว่าจิตเราจะไม่ไปเกาะกับกายนั้นเวลาที่ถ้าเราอยากนั่งนานๆ น, น, นะเราอยู่กับผู้รูน้นิ่งๆแป๊บเดียวสามชั่วโมงนึกว่าสิบนาทีออกมาเอาสามสี่ชั่วโมงแล้วอย่างเนี้ยเนี่ยเวลาจะผ่านไปเร็วมากวับไปเลยอย่างนี้อ่านี่นี่เป็นเรื่องที่แปลกที่ผู้ปฏิบัติเห็นได้เองเข้าใจค่ะ พราะถ้อาจอารย์ผู้หล่นนี้คนที่ยังไม่มีประสบการณ์จะบอกก็นั่งทีไรมันก็เห็นกายากายในกายอยู่เสมออย่างนี้นจะพา ช, ชั้นไปตรงนั้นทําไงคะอ๋อก็ไม่คือคือคือไม่จําเป็นจะต้องไปไปตรงนี้ก็ได้ไงอยู่กับกายกาับลมเนี่ยมันก็ได้หรือว่าเป็นไปตามธรรมชาติเขาจะไปเห็นเองอเป็นไปตามธรรมชาติเพราะนั้นคนคนนี้ที่เห็นเนี่ย อาจจะสร้างบารมีมาด้านนี้แล้วจิตเนี่ยมันจะพลิกไปเห็นมุมนี้เองซึ่งบางคนอาจจะไม่พลิกเห็นมุมนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําเหมือนกันซะทุกคนอเพราะฉะนั้นการมองมุมนี้จะทําให้เราอยู่กับสมาธิได้นานกว่าการที่จะดูกายอย่างเดียวก็อบางคนดูกายมันก็ได้นานได้อะนะก็เลยเลยไม่อยากฟันธงว่ามันมันทําได้แต่ ภายใต้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยก็จะเหมือนประสบการณ์ของโยมด้านนี้คือพออยู่กับจิตปุ๊บเนี่ยโอจะนั่งได้นานมากเลยแล้วเวลาจะผ่านไปเร็วซึ่งเหตุผลก็คือจิตมันไม่เกาะอยู่กับกายมันก็จะไม่มากังวลข้องแวะในการจะเมื่อยจะอะไรมันจะดูตัวจิตอย่างเดียวจิตคุณจะขยับไปไหนจิตชั้นอยู่นิ่งๆอย่างเนี้ยอ่านั่นแล้วเราจะเข้าใจเรื่องระบบของเวลาอย่างว่าทําไมเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดว่า เวลาในสวรรค์นเนี่ยนะแค่วันนึงเนี่ยโอ้กับมนุษย์ต้องนาน น, นะเราเริ่มเข้าใจความเหลื่อมของเวลาว่าออถ้ามันเหมือนกับเข้าไปอยู่ในอีกมิตินึงเนี่ยนะเวลามันจะมันจะปรับไปนะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจก้าวาไปอีกว่าคำว่าอักกาลิโกของภาษาสดาเนี่ยมันลึกซึ้งว่าเมื่อเข้าไปถึงณนะจุดสุดท้ายเนี่ยมันคือจะไม่มีการเวลาแล้วเราจะเห็น ความจริงไปเรื่อยๆว่าสมาธิที่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาสั้นนิดเดียวแต่เวลาในจิตปกติเนี่ยโอ้โหมันนานมากอย่างเนี้ยอไม่ทางกลอบกันนะท่านคะถ้าคนบางคนที่นั่งแล้วมีความรู้สึกว่าแหมเหมือนนั่งไปนานแต่พอมาดูนาฬิกามันยังไปได้ไม่ไกลแปลว่าอะไรกันท่านแต่ว่าไม่กลาหน้าหรือป่าคุสั้นมสั้นแปลว่ายังไม่ไปถึงไหนเออ อันนี้จะเป็นคนสําหรับนั่งแรกๆหนึ่งหานาทีสองนาทีมันก็ไม่ไหวแล้มันนานจังเลยทําไมมันนานอย่างนี้เนี่ยใช่ไห ม, มค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็สําหรับวิธีที่ใช้กายเวทนาจิตธรรมหรือสติประฐาน4ี่เป็นที่ตั้งของสตินะคะเป็นวิธีเดียวหรือเป็นวิธีสําหรับทุกแบบของการปฏิบัติสมาธิที่พระพุทธรัตตสไว้คือ เป็นทุกแบบของอนาปนาณสติเป็นเป็นอนาปนาณสติก็ได้กายานุปัสสนาก็ได้เป็นจิตอธิฐานการงานก็ได้สามารถจะเจริญสติประธานสีนี้ได้ด้วยอ่าฮะได้ได้หมดอย่างสติประฐานสีเนี่ยแทรก <c oughs> แทรกอยู่ในทุกๆองมร์นะ <c oughs> เป็นมครควิธีที่จัดว่าโดดเด่นอีกภรควิธีหนึ่ง <c oughs> และเป็นมครควิธีเดียวที่ผู้เจ้าเนี่ยประกันเรื่องเวลาไว้ว่า <c oughs> ถ้าทําอย่างดีเนี่ยไม่เกินเจปีบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายแน่นอน ก็จะเป็นวิธีที่ผู้เจ้าสอนมากสอนพออีกเหมือนกันถ้าอาจารย์หมายความว่าสติปฐานสี่ปรากฏอยู่ในทุกมรรคไม่หมายถึงสัมมาทิฏฐิก็มีสติปรากฏอยู่ปรากฏอยู่อย่างไรครก็เช่นว่าถ้าเราถ้าเราคอยเห็นการเกิดดับเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยมีสติที่ถูกต้องแล้วเพราะถ้ามีสติไม่ถูกในฐานทั้ง4ี่เนี่ยจะไม่เห็นการเกิดดับคนนั้นจะไม่มาสังเกตตรงนี้เห็นนะ ความเกิดดับมันจะเป็นไปพร้อมกันความเป็นเราเนี่ยจะเกิดดับไปพร้อมกับจิตที่เกิดดับแต่พอเรามีการเบรกให้มาอยู่ที่ที่เดียวในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะเห็นตัวนี้ว่าอ๋อทุกอย่างมันเกิดดับมีอะไรบ้างเกิดดับมันจะเห็นทันทีเลยอ๋อค่ะสมารถสิต ท, <c oughs> ที่นี่หมายถึงการเห็นชอบ <c oughs> แล้วก็การเห็นชอบคือเห็นในอริยสัจสี่ถ <c oughs> ึงได้ถึงได้มาถึงที่ท่านอารพูดถึงเห็นเกิดเพราะว่าเป็นหนึ่งในอริยสัจสี่ใช่ไหคะเห็นเกิดแล้วก็เห็นดับ ดิฉันสนใจเรื่องนี้มาก<อ>าแต่ว่ามุมที่สนใจอีกมุมหนึงไม่ทราบ ม, มีคําถามต่อไหมคะก่อนที่ดิฉัน <Efendi> จะถามนั่นใ่ไคือในมัสมีองค์8เนี่ยในเรื่องที่ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับสติประธานสี่จะเป็นเรื่องของสัมมาสติอ <lum S 1> ใช่ไหมครแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถัดมาเลยเป็นมักศกรงที่แปดก็จะเป็นเรื่องของสัมมาสมาธิทีนี้ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าการที่คนเราจะมีสติเนี่ยมันต้องมีสมาธิอ มีความเหมือนมีความต่างมีความทับซ้อนกันอยู่อย่างไรคะระหว่างสัมมาสติกับสัมมาสมาธิคะอ๋อมันต้องแยกแยกก่อนว่าสัมมาสติสติคือการระลึกได้นะส่วนสมาธินี่คือความตั้งใจมัน่นนะสติเนี่ยมันจะต้องมาก่อนคือมีการระลึกได้เมื่อมีสติการระลึกได้มาแล้วเนี่ยจะเกิดสัมปชัญญะความรู้ตัว เหมือนกับว่าเรากาลังคิดเรื่องอะไรเพลินๆเนี่ยนะอันเนี้ยขาดสติพอเรามีสติคือเราจะมีการระลึกได้แลกลับมาที่ไหนสมมติกลับมาที่กายนะพอกลับมาที่กายเนี่ยความรู้ตัวจะมาปรากฏที่กายคือสัมปัชชัญญาอาการระลึกได้เนี่ยเรียกว่าสตินะเกิดแล้วก็จะดับไปละและจิตก็จะมาตั้งอยู่กับกายคือมีสัมปัชชัญญา และทาโยโอมสามารถทําให้สัมปชัญญะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คือลมหายใจได้ต่อเนื่องยาวนาน mm hmm. ก็เรียกว่าเธอมีความตั้งใจมั่นอยู่กับสิ่งสิ่งนี้นั่นคือเรียกว่าเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่ามันมีสติสัมปชัญญะแล้วมีสมาธิมันไล่เลียงกันอย่างนี้อ mm hmm. งั้นก็เท่ากับว่าสติเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิอ่าเป็นเหตุปัใจจัยให้ได้มาซึ่งสมาธิมันเป็นสเต็ปที่สองใช่ สติเป็นเหตุให้ได้สมาธิแต่สุดท้ายสติก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิคือมันเกือ้อกูลกันกลับกันไปกันมาแล้วจะพูดว่าขณะที่เธอมีสมาธิเธอมีสติก็ได้ก็ได้อย่างนี้เพราะขณะที่เราตั้งใจมั่นก็คือเรามีสติล้นะอ่าไม่ไม่หลุดไปที่ไหนน้นที่พระพุทโ์ตรัสไว้แยกต่างหากกันเป็นสองมารนี่เพื่อจะจำแนกให้เห็นชัดเลยไงคะว่า นั่นเป็นวิธีที่จะปฏิบัติให้มี uh huh. สติก่อน uh huh. แล้วเมื่อมีสติแล้วสมาธิในระดับต่างๆจะปรากฏขึ้นเององั้นหรือเป่าอย่างนั้นก็ได้นะก็ะอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีการระลึกได้กลับมาถ้าไม่มีการระลึกได้เนี่ยสมาธิไม่เกิดแน่นอนนั้นสติแม้นิดนึงเนี่ยจะต้องมีก่อ น, น uh huh. จึงต้องอย่างไรก็ต้องเจริญสติฐานสี่ฮะ uh huh. ถึงว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมี สติปัฏฐานเนี่ยมันแทรกเข้าไปหมดเหมือนเราคุมสัมมาวาจานั่นคือเราก็ต้องมีสติคัดเลือกแยกแยะการปรุงแต่งในใจของเราที่จะพูดออกมาเรามีสัมมาสังกัปปะคอยทิ้งความคิดอกุศลตัวนี้ก็เป็นสติโดยตรงเลยที่พู้เจ้าเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่กันไม่ให้ผู้ร้ายเนี่ยเข้ามาในเมืองอนุญาตให้คนดีเข้าเมืองได้สติในสัมมาสั ง, งปะก็คือัด ก, กัน อกุศลออกจากใจแล้วอนุ ญ, ญาตให้ใจเนี่ยเป็นกุศลได้แสดงว่าสติเนี่ยมันเป็นอะไรที่นิดเดียวนีดเด้เก็เสร็จแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ย <c oughs> มันหล่อเลี้ยงให้ใผาสสะปัญญานั้นมันอยู่มันอยู่กับเราเราเราจะไม่รู้เลยว่าสติเกิดดับยมไปดูเลยในคาสอนของทุกอาจารย์เนี่ย <c oughs> จะไม่มีประเด็นตรงนี้ <c oughs> ประเด็นตรงนี้ยากมาก และประเด็นตรงนี้ผู้เจ้าจะไม่พูดบ่อยด้วยจะเจอน้อยนะเพราะว่าคนจะมองกลายเป็นว่าสติมีผลเสียอซึ่งต้องพูดไม่น้อยแต่ควรปฏิบัติไปลึกแล้วจะรู้เองแล้วจะเริ่มสงสัยว่าเอะแล้วสติคืออะไรอ่าถ้าไปเจอในพระสูตรที่ผู้เจ้าตัดกับอาชิตะซึ่งอาชิตะถามผู้เจ้าว่าสติปัญญาดับไหมผู้เจ้าบอกดับเอา ก็แสดงว่าสติเป็นสังกัตธรรมที่ต้องปล่อยวางเขาเป็นกิเลสแต่ทําไมผู้เจ้าพูดน้อยเพราะสติมันต้องใช้ตลอดใช้จนกระทั่งนาทีสุดท้ายของชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานเพราะฉะนั้นจะพูดผลเสียของสติมากไม่ได้อเราก็จะไปมองจุดจุดเสียใช่เดี๋ยวคนจะไปมองจุดเสียเลยพูดนิดเดียวอาจมาเจอเพื่สูตเดียวเท่านั้นเองรองนั้นจะไม่พูดผลเสียของสติแต่แม้แ่นิดเดียวเห็นไหมดูเทคนิคกัน ผู้เช่าจะแยบขายมากท่านก็แสดงว่าพอสติเกิดแล้วพอแล้วพอสัมปชัญญะเกิดในี่ยสัมมาสมาธิเกิดปุ๊บเนี่ยแบบแสดงว่าสติดับใช่ดับไปนานแล้วดับไปนานแล้วดับไปตั้งแต่พอสัมปชัญญะเกิดก็คือสติดับแล้วแต่ต้องอาศัยสติเกิดก่อนเพื่อเพื่อที่จะเกิดในสัมมาสมาธิใช่ใแต่พอเกิดปุ๊บเนี่ยสติตัวนั้นเนี่ยดับไปแล้วก็ดับไปแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเราจะอาศัยแค่ สมมติที่บอกว่าการเจริญสติแล้วถ้าหากว่าฟังมาบางครั้งก็ดูเหมือนว่ า, าในเมื่ออยู่ในมรรคทุกอง อ, อยู่แล้วซึ่งเป็นทางดำเนินให้ถึงทางดับทุกเน่นะคะถ้าเราเจริญสมมาสติอย่างเดียวก็ไม่ได้นะพูดถึงเพราะว่าถ้าแต่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับอยู่ในทุกองค์อยู่แล้ว <laughs> ก็น่าที่จะ <laughs> เนี่ยนั่งเจริญสติ แล้วก็มีสติประฐานสีสมมาสมมิที่จะปรากฏเองอยู่แล้วแต่ก็น่าจะเจริญสติสมมาสมมาสติอย่างเดียวได้ได้เป็นได้ครบทุกอันได้ใช่แต่ได้ใช่มสิ่งนั้นได้ได้คือมันมันเป็นผลพวงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมรรคองค์อื่นเนี่ยขึ้นพร้อมๆกันตามมาได้ทั้งหมดนั้นสติเป็นตัวแรกเลยที่จะทําให้ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามัดทั้งแปดตัวเนี่ยมันเกี่ยวพันเกี่ยวพันเกี่ยวพันกันไปหมดซึ่งกันละกันเพียงแต่ว่าตัวเกิดตัวดับตัวเกิดตัวดับแต่ว่ามันนำมาซึ่งซึ่งอีกตัวนึ่งนำมาซึ่งอีกตัวนึงด้วยใช่แต่ในทุกๆมัดเนี่ยมันก็ต้องมีสติอยู่แล้วนะคะไม่งั้นเดินมัดไม่ได้อย่างนั้นนะคะใช่แต่ในแต่ละมัดเนี่ยบางมัดเดินมัดนั้นมัดหนึ่ง ไม่สามารถที่จะสมบูรณ์ทั้งเจ็ดอีกเจ็ดมรรคเหมือนกับว่าเจริญสัมมาสติาาถูกเวลาก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เชิงมรรคเนี่มันจะเกี่ยวพันกันหมดเลยแม้แต่สัมมาวายามะเนี่ย <c oughs> ก็จะเกี่ยวพันไปทุกทุกมรรคอยุมคุมวาจาหรือคุมสัมมาขมันตะคุมกายถูกต้องตามศีลสามข้อธรรมะนั่นคือความเพียเนย<ม>เพียนละเปลี่ยนละมุมนิดเดีย เมเห็นการเกิดดับเนี่ยเพี้ยนไหมเพียนคนนั้นเพียนในจุดนี้อย่างนี้ ค, ความเพียนก็เป็นในงานที่แทรกหมดเลยก็ดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกมัดในอริ ม, กมักในองแปดล้วนแต่ล้วนแต่มีความสําคัญและจริงๆถ้าปฏิบัติกันไปยกให้มีความสําคัญ เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ปฏิบัติก็อาจจะทําให้เกิดความครุกท้วนทั้งแปดมาร์กได้เลยนะฮะใช่ใช่ <c oughs> แต่ดิฉันกําลังคิดว่าเนี่ยท่านฟังอาจจะงงแล้วไหมคะ <c oughs> ดิฉันผู้ใองก็ยังพยายามต้องตั้งสติเพื่อที่จะทําความเข้าใจในสิ่งที่กล่าวเรียนถา ม, มด้วยมันก็เป็นแง่มุมที่สงสยัยนะคะทีนี้เพื่อให้สบายใจง่ายๆดิฉันว่าทําให้ครบแปดมาร์กเลยอะไรจะซ่อนอยู่ในไหนเนี่ยอันนี้เราอาจจะคิดสูตรคณิตศาสตร์ให้เห็นว่ารวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือ คือเราจะทําทั้งแปดมร ก, ก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกโอ้โหแปดมรจะไม่ไหวก็ทําอันเดียว <c oughs> เพื่อกับคนที่ต้องการความง่ายอย่างเช่นสัมมาสังกปปะคอยทิ้งอกุศเลเรื่อยๆแค่นี้พอละพระเจ้าบอกมรที่เหลือจะเกิดขึ้นครบหมดเลยเนี่ยนี่มันก็ง่ายเข้าไงทิ <c oughs> ้งกรมพยาบาทเบียดเบียนช่แค่นั้นเอง <c oughs> จเจริญสัมมาสังกปะความเห็น <c oughs> ที่เขามาทําก็ถูกแก็ <c oughs> ถ้าเขามีความเห็นไม่ถูกก็ไปทําอย่างอื่นเนีย ความเพียนเขก็ถูกเข้าเปลี่ยนมาคอยทิ้งอกุศลในใจต้องมีความเพียนมีไม่มียมจะมานั่งทิ้งอกุศลในใจได้ยังไงใช่ไหมทีนี้ถ้าคิดถึงมนุษย์ส่วนใหญ่ <c oughs> บนโลกใบนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> ซึ่งอาจจะห่างไกลวัดหรือมีความรู้สึกว่ามันไม่มีโอกาสแล้วเขาก็เป็นคนที่ยุ่งทุกอย่างเลยจะเลือกให้ชูมัดอันใดอันหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะทําให้ชีวิตเดินไปถึงความดับทุกข์ได้ <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> ท่านอาจารย์คิดว่าอยากจะแนะนํา มักไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดค่ะจริงจริงมักที่เราแนะนาเนี่ยที่เหมาะกับคนที่ทำกิจการงานเนี่ยคือมักที่มันไม่ต้องการรูปแบบอะไรมากน ะ, ะสัมมาสังปะเนี่ยโยมคอยทิ้งความพิดอกุศลเนี่ยมันไม่ต้องการรูปแบบเลยโยมจะแต่งกายชุดอะไรก็ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่วัดนะอินิบทยืนเดินนั่งนอน อกุศลต้องเกิดขึ้นได้ตลอดหน้าที่โยมคอยทิ้งไปคอยละไปแค่นี้เองแล้วมันก็ไม่ทาให้โยมต้องรู้สึกว่าโยมแปลกแยกในสังคมที่เขาไม่ทำกันเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการทำในใจเราแค่นั้นเองโยมจะไปกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีรูปแบบจะกินอาหารอะไรก็ได้นะจะร้องรำตำเพลงอะไรเราก็มีความรู้ตัวดูละ อะไรเป็นกระสุนอะไรเป็นอบุโกหอยละละละไปอย่างเนี้ยมันใช้ชีวิตง่ายมากนะจับสัมมาสังกปะอันเดียวแต่ทุกอย่างครบด้วยค่ะเข้าท่าดีนะคะถ้าสมมติว่าเป็นแบบเนี้ยเข้าใจว่าคงมีคนมีกำลังใจที่จะปฏิบัติตัวมากขึ้นก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่ยุ่งยากใช่เพราะบางทีเนี่ย น, นะคะพอคิดถึงเรื่องเข้าวัดปุ๊บแล้วยิ่งมาฟังพูดว่าอาลิสงของการ ทำสมาธิ uh huh. สูงสุด uh huh. มากกว่าอย่างอื่นเนี่ยบางคนก็เลยมีความรู้สึกชะทอ้อจะเอาเวลาที่ไห น, นไปนั่งคพ uh ูม huh. ค่าท่านคะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นสัมมาสังกปะที่หมายถึงว่าความดำริชอบ uh huh. คือให้ทำในใจละ uh huh. การพยาบาทเบียดเบียนเรนเคยเห็นคำขวัญ น, นะคะแม้แต่ คือเป็นคําขวัญที่พูดกันนี้ะเลยค่ะให้คิดดีพูดดีทําดีอืครอบคลุมไหมคะถึงสัมมาสังกัปปอเพียงแต่คิดดีพูดดีทดําดีซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการแสดงออกของเราทั้งหมดแล้วคือคือคือดีในที่นี้มันไม่รู้ว่าดียังไงไงแต่ถ้าเป็นสัมมาสังกปะปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าจะลงไปเลยการพยาบาทเบียดเบียนมันก็ชัดเจนลงไปถ้าเราไปพยาบาทใครนะเบียดเบียนใครนะ หรือเกิดความยินดีในทางอายเจตนาขึ้นามารูปสิ่งร้นเนี่ยให้พยายามลดทอนละทิ้งไปมันชัดเจนขึ้นนะตอนนี้ดีเนี่ยมันกรอบดีเนี่ยแค่ไหนถ้าเข้าไปใช้กรอบของคนอื่นมันก็ก็ออกนอกเริ่มออกนอกแนวทางแต่ถ้ามาใช้กรอบพูะเจ้าก็อ่ะสินห้าอ่ะก็ได้ใช่ไมอย่างนี้แล้วมันต้องกลับมาที่กรอบของพู้เจ้าการไม่เบียดเบียน อาจจะไม่พออาจจะเมงไม่ใช่เรางพังแค่ดีทั้งหลายเพราะไม่รู้ว่าดียังไงใช่นะคะถ้าตามแนวทางนี้ก็ต้องดีตามแบบพระพุทธเจ้าใช่ใช่การพยาบาทเบียดเบียนปริจิตใจอยู่อย่างที่ท่านจรบอกว่าเนี่ยเราจะไปฟังเพลงดูหนังอะไรก็ได้นะคะใช่ทำได้โดยไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนนี่ทำยังไงกลนบ้างก็แค่ศีลห้าบริบูรณ์เพราะพระโสดาบันเนี่ยศีลหบริบูรณ์ สินห้าบริบูรณ์แล้วก็มั่นคงในพระรัตนตรยัยก็เป็นโสดาบันแล้วอย่างเนี้ยเพราะนั้นตรงนี้หามว่าเราก็ยังแต่งตัวได้ยังดูหนังฟังเพลงได้แต่เราได้อะไรบุคคลขั้นต้นละผู้เจ้าจึงสอนเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงนะ่ยยังอยู่ในรูปเสียงกินรสนะแต่ปฏิบัติต่อรูปเสียงกินรสเนยะยังถูกต้องมีกรอบในการใช้ละก็แ ค, ค่มีสินห้า ไปปาตี้ก็อย่าดื่มเหล้าสักก็ดื่มได้แตไม่ต้องเมาวายได้ดื่มได้ถ้าดื่มจะต้องไม่ผิดสัมมาวาจาสี่เพราะไปดูในข้อสวดบัลที่ไม่พูดเรื่องสุลาแต่เพิ่มสัมมาวาจาสี่สถานเข้าไปไม่เพิ่เจอคำยาเพิ่เจอสอเสียดเพิ่มอีกสามใช่ไหมนั้นถ้าโยมดื่มเหล้าแล้วเริ่มเพิ่เจอละเริ่มผิดละอแสดงว่าเริ่มเริ่มเพลินไปกับสุลาละ ก็ไม่ได้ห้ามว่าห้ามดึ่มอาฮะตัวตั ว, ตวโสรวาร์บลตัวเนี้ยไม่มีข้อสุรานะแต่ว่าต้องกลับเรียนท่าอาจารย์นะคะพยายามทำอยู่ อ, อมันกล่อยมากเลยมันต้องกลับบ้านเลย <laughs> มั น, มนจืดสนิทแล้วเราีาคนรู้สึกว่าไม่สามารถนั่งต่อไปได้เซึ่งมันมันก็ไม่ดีนะคะมันทำให้วงแตกนิดหน่อยออ ท, ทีนี้มีอีกแง่หนึ่งนะคะสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะ อยากไปไกลกว่าพระโสดาบันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าด้วยศีลคือถือสีนไม้มากขึ้นน่ยจะมีโอกาสไปหรือไม่เพราะบางคนว่าอยากถือสีลแตแต่เนี่ยทําให้ไปดิฉันเอางานเลี้ยงเป็นตัวหลักก่อนนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยเขาก็จะต้องมีกิจกรรมแบบเนี้ค่ะไหนจะแต่งหน้าก็ไม่ได้อออย่างเนี้ค่ะพอที่จะมีวิธีเช่นไรที่จะพาตัวเองไปอยู่ในที่แบบนั้นได้ไหมค่ะก็ คนนั้นต้องการแค่ไหนอ่ะต้องการเลยโสดาบันเหรออ่าสมมุติว่าต้องการเลยโสดาบันสักหน่อยเนี่ยไปไหนได้ไหมคะอ๋อได้ถ้าเลยโสดาบันหน่อยเดียวก็เอาสกัดทาคามีแล้วกันไปไหนได้บ้างอ่ะได้ก็ไปได้หมดสินหบริบูรณ์เท่าเดิมค่ะนะเป็นแต่เพียงละความโรคกดหลงให้เบาบางลงให้เร็วขึ้นเนี่ยสกัดทาคามีและขยิบมาอีกชั้นละและย่างสกัดคาหรือว่าอาณาคาเนี่ยสามารถไปแบบ ไปแบบคาราโอเกะอย่างน yeah right. ี้ได้ไหมก็สกาทาคามีก็ยังได้แต่อนาคามีนี้ก็จะเริ่มไม่ไม่ได้ละเพราะว่าจะเพิ่มเรื่องภาษาทางกายเนี่ยควบคุมซึ่งดับได้เร็วเท่ากระพริบตาเพราะฉะนั้นถ้าอนาคามีดับได้เร็วเท่ากระพริบตาไปคาราโอเกะนี้ก็จืดสนิทเหมือนกันจืดสนิทไปไปได้เหมือนกันะแต่ไปแล้วมันจืดสนิทน่ะ แต่มันก็จะเป็นอย่างเดียวว่านะเวลาถ้าเรามีสติไปอยู่ในที่เหล่านั้นเนี่ยมันจืดแต่มันจะเห็นชัดนะคะถ้า เ, เราไปอยู่ในที่เหล่านั้นร้อมเนี่ยเราจะเห็นชัดมากๆเลยว่าอคือจิตเรามันจะกลับมาเร็วมากเลยว่าอไอ้นี่มันเป็นยังไงคือเราจะแยกแยะเร็วมากแล้วมันก็จืดสนิทแต่ว่าเราจะเห็นชัดขึ้น อย่างนี้คุณติ๋วก็จะไม่ชวนไปเลยอ๋อไม่ใช่ ค, ค, คือกำลังพยายามคิดตามเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายที่ยังเป็นคนธรรมดา uh huh. แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าก็อยากจะทำนะแต่ขอให้มันง่ายหน่อย uh huh. จะได้มีกำลังใจทำเนี uh ่ย huh. นะคะก็ไปอเอาเบื้นต้นก่อนละกันพระ yeah, สุดาบันนะคะถ้าท่านจะพอทำให้มีกำลังใจรักษาศีลหแต่ถ้าหากว่ารักษาศีลห้าไม่ไหว จะถือแค่สีสีข้อที่นี้ต้องระวังปากขอไป้เนื้อระวังวาจา <c oughs> คือไม่ให้พูดส่อสเสียด <c oughs> เพ้อเจอ้อทาหยาบ <c oughs> และพูดปดด้วย <c oughs> อันนั้นมาตรฐานอยู่แล้วที่ต้องห้ามไงอ๋อค่ะค่ะนะะแต่ว่าถ้าต้องการได้สกิธาคาทีนี้ต้องไปอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่ปัดโลกกรดลงอ่า ใ, ให้เบาบางลงหรือให้ละให้เร็วขึ้นละให้เร็วอ๋อไม่ต้องถึงขนาดเป็นศูนย์ยังไม่ต้องถึง มันยังไม่ได้เป็นศูนย์แน่นอนเป็นไปไม่ได้เพียงแต่เร็วขึ้นแค่นั้นค่ะที่ถามเนี่ยถามให้เกินเกินไปนะคะความจริงบางคนบอกว่าที่ฉันถามละเอียดจําเป็นต้องถามละเอียดครับเพราะว่าต้องการจะให้มีโอกาสนําไปปฏิบัติได้จริงๆแต่ว่าถ้าจะให้ได้อย่างที่ถ้าอาจารย์ได้วางหลักไว้หนึ่งมที่เดินได้ง่ายสําหรับทุกๆคนแล้วก็ได้ผลครบทั้งมัดทั้งหมดมก็คือเรื่องของดํำริชอบสัมสมาสังกัปปะเป็นอริยมรรค องที่สองใช่ค่ะส่วนท่านทั้งหลายที่บอกแม่อาเดี๋ยวจะปฏิบัติเลยนะคก็ยังไงก็ต้องเจริญสัมมาสติสตินะฮะพอเริ่มปฏิบัติปุ๊บเนี่ยสัมมาสติต้องใช้ละคือการระลึกได้กลับมาจะอยู่ที่จุดไหนเท่านั้นเองคิดสู้ไปเที่ยวนะฮะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่เที่ยวของจิต เปที่เที่ยวของจิตค่ะ เ, เราไปเที่ยวกันในที่ที่ควรเที่ยวไป <laughs> <laughs> <laughs> จัดโปรแกรมทัวร์ทัวร์สติปทานสี่ใช่ต้องเตรียมตัวยังไงคะจะไปทัวร์สติปทานสี่ของท่านเนี่ยอ๋อเตรียมตัวน้อยสุดเลยคใคร ใ, <จ>ใครมีเหตุปัจจัยแล้วก็อยู่แค่ตรงนั้นนั่นแหละนะ <laughs> เตรียมแค่ใจของเราเนี่ยให้พร้อมที่จะเที่ยวไปในสี่ที่มีแค่นั้นเอง นั่งคู่ขาอย่างที่ท่านมั่งนำปฏิบัติในตอนต้นนะฮร uh ับ huh. uh huh. แล้วก็ uh huh. อยู่กับจิตอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรคะจิตอธิษฐานการงานก็ได้ uh huh. ถ้าอาจารย์คะที่ท่นเคยสังเกตยอย่างหนึ่งว่า uh huh. ถ้าเราเดินจงกรมคือจะเป็นคนที่ uh huh. ก็ยังไม่ไม่มั่นใจว่าทาถูหรือเปล่านะคะ uh huh. แต่เดินช้าๆแบบค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบอะไรเนี่ยไม่สัมผัสเป็น uh huh. ค, คนเดินเร็ว ก็เลยใช้วิธีเดินปกติ uh huh. อตอนรแรกๆเนี่ยพยายามอยู่กับลมหายใจก็ uh huh. เคยถามท่านอาจารย์ถ้าจอาจ า, าทําได้อ uh huh. แต่ปรากฏว่ามันอึดอัดมากอึอดอ uh ัด huh. ลมหายใจไม่สบายต่อเนื่องไปเลยนะคะ uh huh. เป็นวันๆตอนหลังก็ลองเปลี่ยนไหมาอารมหายใจทีหลังเดินแล้วให้รู้ก้า uh huh. วรู้ที่เท้าเนี่ยก็รู้สึกดีนะคะ uh huh. แล้วพอเดินเสร็จเนี่ยไปนั่งสมาธินั่งได้นานมากเลยะคะ่ะ uh huh. ใช่ มันจะเกื้อหนุนกันกืกันใช่ไหมคะใช่ใชอันนี้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ไหมคะว่าสัมพันธ์กันยังไงแต่ฉันไม่ค่อยได้ยินถ้าอาจารย์พูดถึงว่าพระพุทธองค์สอนการเดินจงกรมค่ะก็น้อยผู้เจ้าสอนน้อยน้อยมากๆแต่มีหรอคะมีมีในเรื่องอ น, นิสงส์งการเดินจงกรมแค่ น, นั้นนะไม่ได้พูดว่าเดินอย่างไรไม่ได้พูดว่าเดินอย่างไรเนะพรียงแต่ถ้าครับไคร้ครับปลาที่เอามาใช้ได้คือในเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะที่บอกว่า การก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแข น, แขนนะหรือว่าในกายคตาสติในแบบอื่นเนี่ยเช่นว่าเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนยืนรู้ว่ายืนก็คือเดินปกติไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องการเดินจะต้องไปมีท่านั้นท่า น, นี้อะไรไม่มีเดินรู้ว่าเดินก็เท่ากับเดินแล้วมีสตินั่นเอง <c oughs> ใช่รู้ว่าขณะเนี้กําลังเดินอยู่พอแล้ว ค่ะเพราะว่าดิฉันก็ว่าจะกราบเรียนถามถ้าอาจารย์มานานแล้วว่าเออเราเดินจงกลมแบบพระเจ้าไี่เดินยังไงไม่เดิน ป, ปกติใช่ใช้าเร็วไม่สําคัญช้าเร็วไม่สําคัญถ้าสําคัญพระเจ้าจะต้องบัญญัติไปแล้วเพราะคําว่าเดินช้าเดินเร็วมีเดินย่องเดินกระโยงพระเจ้ามี<อ>ในบาลีแต่พระเจ้าไม่พูดไม่พูดแสดงว่าไม่ไม่ได้บัญญัติตรงนั้นไวย์นะท่านผู้ชมคะ และเป็นประจําในระยะนี้นะคะที่เราจะได้ในการนําเอาพุทธวจนะนั้นมาอ่านให้กับท่านได้ฟังกันโดยเน้นเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับที่ได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเพื่อที่จะได้ทําให้ท่านได้เห็นว่าบทพยัญชนะของพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสไว้อย่างไรบ้างเรื่องที่เลือกมาอ่านนะคะก็เป็นเรื่องที่ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือพุทธวจนะฉบับปฐมธรรมเป็นพระสูตร ที่พวกเราควรรู้อยู่ที่หน้า68ชื่อเรื่องจิตอธิษฐานการงานค่ะอานนฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติมีเท่าไหร่มีห้าอย่างพระเจ้าค่าดีละดีละอานนถ้าอย่างนั้นเธอจงทรงจำฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติที่6นี้ไว้คือภิกษุในกรณีนี้ มีสติก้าวไปมีสติถอยกลับมีสติยืนอยู่มีสตินั่งอยู่มีสติสำเร็จการนอนอยู่มีสติอธิษฐานการงานอานนท์นี้เป็นฐานที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลจเจริญกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะค่ะเท่ากับว่าฐานที่ตั้งของจิต<ม>ก็มีให้เราได้ปฏิบัติกันส ะ, ะดวกสบาย<ะ>ตามแต่พนัดเลยนะคะใช่ใช่ <laughs> <laughs> ค่ะท่านผู้ชมค่ะ สำคัญที่ว่าจะนำไปปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้นวันนี้เราก็ได้ฟังรายละเอียดที่เป็นประโยชน์และน่าจะเป็นกำลังใจให้เรากล้าที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ภายใต้ผู้ที่มาถ่ายทอดบอกสอนคือท่านอาจารย์คริปริโสธิพโลวัฒนาปะพงลาลูกกาคลองศิษย์ในวันนี้เราก็มาในมันสกการขอบพระคุณท่านก่อนที่จะลารายการกันไปค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้รายการผู้ทวัจะนะได้กรับเรียนสนทนากับท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการปฏิบัตินะคะแล้วก็ไม่ใช่การปฏิบัติที่ยากเย็นเกินกว่าที่พวกเราจะทำได้เลยขึ้นอยู่กับว่า ท่านจะเลือกเอาวิธีไหนไปทำเท่า น, นั้นเองนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติมีความก้าวหน้าในความมุ่งมั่นของท่านที่จะหนีให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ค่ะรายการพุทธวั จ, จะนะเราก็มีความมุ่งมั่นเช่นกันนะคะ<อ>เพราะว่ามาพบกับท่านทุกวันเลยไม่มีวันหยุดวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้พอควรแก่เวลานัดมาพบกันอีกในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธว จ, จะนะสวัสดีค่ะก็ขอให้ ผู้ชมรายการข้อนะเนี่ยมันเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดบางสิ่งใดขอให้สมเร็จสนความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างสินที่ดีเป็นผู้ไม่ห่าจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความลีกเล้นหรือสุญญาคารวัให้งอกงาม กลายเป็นผู้มีกำลังนะคือมีกำลังสตินะกำลังสัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนานะขอให้มีความภาคเพียรบากบัรมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายกนะ็ขอให มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อป่าลกความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคนิพพานและขอให้ได้รวงตาทห็นธุรมสมุทมนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน